วันนี้จะเริ่มที่คำถามมีคำถามถามมาอยู่ข้อหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่ถาม เ, มเกี่ยวกับอาชีพธุราค้าขายโชหวยต้องขายสุราก็มีความไม่สบายใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะยังต้องทำมาหากินอยู่ ก็การ้าสุรายาเมานี้ยังไม่ถือว่าผิดศีลเพราะศีลนี้ไม่ได้ห้ามศีลนี้ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเช่นในศีลห้าศีล ห, ห้านี้ข้อที่ห้าเรียกว่าสุราเมรยาตฉาปมาดัานาคือให้ละเป็นจากการดื่มสุรายาเมาเพราะการดื่มสุรายาเมา จะเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อต่างๆได้เวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่สามารถข้ามจิตใจไม่ให้ค่าไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดโปรวณีไม่ให้พูดปดหรือพูดทำหยาบอย่างที่เราเห็นกันเวลาคนที่เดือบเราแล้ว มักจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่การขายชุรานี้ท่านสอนว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะกระทำเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำบาปทำให้ผู้อื่นไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ทำให้ผู้อื่น ไม่สามารถประครับประคองสติของตนให้เป็นปกติได้ให้การกระทำของตนเป็นปกติได้ก็จะไปทำบาปทำกรรมต่อผู้อื่นได้การค้าขายสุาจึงไม่ควรกระทำแต่ผู้ขายนั้นก็ยังถือว่าไม่ได้ผิดศีลห้า ถ้ารักษาถ้าไม่ดื่มสุราก็ออยังถือว่ารักษาศีลได้อยู่ถ้าไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาก็จะยังถือว่ารักษาศีลได้อยู่เรียกว่าไม่ได้ทําบา เพียงแต่ว่าการขายสุรานี่จะเป็นการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นทําบาปได้ถ้าเราอยากจะอยากจะทําอาชีพที่สุจริตเราก็ต้องไม่ขายสุราการไม่ขายสุ ر านี้ก็ไม่ได้ทําให้เรา ขายสินค้าอย่างอื่นไม่ได้อาจจะขายไม่ได้ดีเท่ากับเวลามีสุราเพราะลูกค้าที่มาซื้อของที่ต้องซื้อสุราด้วยเขาก็อาจจะไม่มาซื้อแต่ผู้ที่เขาไม่ได้ซื้อสุราซื้อข้าวซื้ออาหารเขาก็ยังมาซื้อได้ถ้าเรา มีความฝ่ายบุญฝ่ายกุศลจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีความโลภอยากร่ำรว ย, ยอยากมีเงินทองมากมายถ้าเราอยากจะทำเพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองการไม่ขายชราในร้านนี้ก็คิดว่าจะไม่ถึงกับทำให้ขายสินค้าต่างๆไม่ได้ ก็คิดว่ายังค้าขายได้แต่อาจจะไม่ขายดิบขายดีเหมือนกับการค้าสุราเพราะจะต้องเสียลูกค้าส่วนหนึ่งไปคือลูกค้าที่อยากจะซื้อสุราแต่ไม่มีสุราขายแต่มองในทางตรงกันข้ามก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่พูดก็ได้ อาจจะมีลูกค้าที่ไม่ชอบซื้อสซราไม่ชอบเกี่ยวข้องกับสซรามาซื้อของที่ร้านเราเพิ่มมากขึ้นก็นได้เพราะอยากจะสนับสนุนคนที่มีสัมมาชีดั้งนั้นทำไมไม่ลองเลิกขายดูซะก่อนแล้วดูซิว่ามันจะเจ๊งขาดทุนถึงกับต้องปิดร้านไปหรือเปล่าหรืออาจจะกลับมีลูกค้าใหม่มาเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ถ้าสมมุติว่าขายแล้วต้องปิดร้านไม่มีลูกค้าเราก็ขายอย่างอื่นก็ได้ทําไมคนอื่นที่ก็ไม่ขายสุราทําไมเขาอยู่ได้ทําไมต้องเป็นเราที่ต้องขายสุราถึงจะอยู่ได้เพียงแต่ว่า กิเีสของเราเท่านั้นแหละที่เป็นตัวปัญหาที่อยากจะได้เงินมากๆได้เงินง่ายๆถ้าเราไม่ได้อยากได้เงินมากไม่ได้อยากเงินง่ายๆอยากจะทำมาหากินมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็ ไม่เห็นจำเป็นจะต้องขายของที่พระพุทธเจ้าส่งห้ามไม่ให้ขายเดี๋ยวคนก า, าุนานั่งเฉยๆก่อนได้ไหมยังไม่ต้องพูดตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นการบรบกวนพูดเดี๋ยวฟังเสร็จแล้วค่อยไปอธิบายให้เขาฟังเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่ควรที่จะพูดหรือไม่ควรจะทำอะไรควรจะนั่งเฉยๆ หรือถ้าอยากจะอธิบายก็ฟังก็ลองไปนั่งไกลๆตรงนั้นมีลำโพงอยู่ไกลๆเพราะว่าแต่ไม่ไม่ควรจะไปคุยกันหรอกถ้าจะคุยกันก็ไปคุยกันที่บ้านดีกว่าก็แปลตอนถ้าไปแปลตอนนี้เดี๋ยวก็ไปบรบกวนคนอื่นที่ก็อยู่ตรงนั้น เ, เน่ยก็คณอัดเสียงไปแล้วเดี๋ยวคนไป เดี๋ยวไปเปิดใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวคืนนี้ก็ขึ้น y o u t u b ล้วไปเปิดใน Facebook เขาจะมี YouTube อย่างนั้นแล้วคุณก็ไปเปิดแล้วคุณก็ไปแปลให้เขาฟังได้ทั้งหมดเลยในขณะนี้คุณพูดไปคุณก็ทำลายความสงบไปบรบกวนสมาธิของผู้ฟังและผู้พูดด้วยดังนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจ เวลาฟังเทศฟังธรรมนี้กายวาจาใจต้องสงบถึงจะได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมถ้ากายวาจาใจไม่สงบแล้วก็ฟังไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่ามันจะไม่เข้าไปในใจนี่คือคำตอบของผู้ที่ถาม เกี่ยวกับการมีอาชีพที่ต้องค้าขายสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะขายเช่นสุรายาเมาสตราวุธของที่จะนำเอาไปใช้ทำลายไปฆ่าผู้อื่นเช่นกับดักสัตว์ต่างๆหรือสารพิษต่างๆที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อื่น หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษต่ตอผู้อื่นเช่นยาเสพติดนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปค้าขายค้าขายอย่างอื่นได้แต่ต้องไม่ใช่เป็นของที่มีชีวิตเช่นค้าวัวค้าเป็ดค้าไก่ อันนี้ก็ไม่ควรจะข้าขายแบบนี้เพราะว่าเป็นการเอาชีวิตของผู้อื่นมาทำประโยชน์ให้กับตนเองขอให้เรานึกถึงหัว อ, อกเขาหัว อ, อกเราถ้าเราเป็นเขาแล้วเราถูกเขาจับมาขายจับมากินอย่างนี้เราจะคิดอย่างไรสัตว์ทุกตัวนี้มีจิตใจเหมือนเรา เแต่ว่าร่างกายของเขาต้องเป็นเดนรัจฉานเนื่องจากวิบากกรรมที่เขาได้ทำมาในอดีตเขาเคยฆ่าสัตว์พอเขาตายไปจากการเป็นมนุษย์เขาก็ต้องกลับมาใช้กรรมด้วยการกลับมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมารับใช้กรรม เราก็ต้องไม่สร้างเหตุก็คือการกระทำบาปต่างๆถ้าเราไม่ทำบาปต่างๆแล้วผลก็คือการมารับใช้กรรมต่างๆก็จะไม่มีดังนั้นขอให้เราคิดให้กว้างๆอย่าคิดแต่เพียงแต่ได้อย่างเดียวว่าขายถ้าไม่ได้ขายสุราแล้วจะไม่มีคนมาซื้อ ข้าวซื้อของเริ่มมีคนซื้อน้อยลงไปเราต้องคิดถึงอนาคตของเราที่จะตามมาต่อไปหรือผลที่จะกระทบกับผู้อื่นแล้วก็จะกลับมาหาเราได้คนที่ดื่มสุรานี้ขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราไปขับรถแล้วไปเจอคนขับสุราเมา เมาสุราเราก็อาจจะเป็นผู้รับผลของของการดื่มสุราได้คือรถของคนที่ก็าดื่มสุราเขาอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมบังครับให้วิ่งบนทางของเขาได้เขาก็อาจจะวิ่งมาชนรถเราได้หรืออาจจะชนลูกเราก็ได้สามีของเราก็ได้ ญาติสนิทมิสหายของเราก็ได้นี่คือผลกระทบที่จะตามมาเราจึงไม่ควรจะมองแต่ประโยชน์เอาประโยชน์ใส่ตัวเราเพียงอย่างเดียวเราไม่ควรที่จะมองแต่ผลที่จะได้รับในปัจจุบันเราต้องคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่น ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็เราก็จะไม่ทำสิ่งที่เราไม่ควรทำได้ไม่ควรมีอาชีพที่ไม่ควรมีได้เพราะถ้าเรามองชีวิตของเรามันก็เป็นของชั่วคราวตอนนั้นเองไม่นานเราก็ต้องตายไปอยู่ดีเวลาตายไปแล้ว เราก็ต้องไปรับผลของการกระทำของเราต่อไปถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็ต้องไปรับผลที่ไม่ดีถ้าเราไม่ทำบาปทำกรรมเราก็ไม่ต้องไปรับผลที่ไม่ดีถ้าเราทำบุญทาทำความดีเราก็จะไปรับผลของการทำความดีถ้าเราไม่ได้ทำความดี เราก็จะไม่ได้รับผลของการทำความดีผลทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทาของเรามีท่านหนึ่งรู้สึกเขียนมามาเล่าว่ารู้สึกตอนนี้ชีวิตพุ่นวายเลืกันมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำความไม่ดีกันไว้เวลาทำความไม่ดีนี้ไม่คิดกันพอถึงเวลาเกิด อเกิดผลของการทำไม่ดีขึ้นมาชีวิตวุ่นวายมีความทุกข์มีเรื่องมีราวมีความเดือดร้อนต่างๆก็บ่นกันไม่พิจารณาว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการทำไม่ดีหรือจะถ้าพูดให้ลึกๆไปเลยก็มันก็เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดนี้เอง ถ้าไม่มาเกิดแล้วก็ผลวุ่นวายต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะไม่มีกับผู้ที่ไม่มาเกิดนะัดังที่พระุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นดังนั้นถ้ามาเกิดแล้วก็อย่ามาบน่นนะจะเอาแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวนี้มันไม่รู้จะได้หรือเปล่า เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเกิดนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดด้วยบุญด้วยวาสนาอันยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าได้มาเกิดได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายต้องมาเจอการพัดพาจากสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปต้องมาเจอเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ เรื่องของโลกธรรมแปดก็คือการเจริญลาภของาะลาภยศสารเสริญและการเสื่อมของลาภยศแล้วก็การเกิดขึ้นของนินทาของการนินทาและของความทุกข์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ที่มาเกิดในโลกนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายใจอย่าไปบ่นให้เสียเวลาเอาสติปัญญาเอาธรรมะมารับมันดีกว่าพิจารณาปล่อยวางยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นผลที่เกิดจากมาเกิดในโลกนี้ เพราะในโลกนี้มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตลอดเวลามีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือวิบากที่เราทําวิบากกรรมที่เกิดจากการกระทําของเราในอดีตเราเคยทําทั้งบาปและบุญมาเราจึงมารับ วิบาก ค, คือผลของบาปและบุญเวลาเรารับผลของบุญนี้เราไม่บ่นกันเราเลี้ยงฉลองกันเฮฮาปาร์ตี้กันดีออกดีใจกันแต่พอเรามารับวิบากของบาปกันเราก็มาร้องหม่มร้องไห้มาโวยวายมาบ่นกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ไปแก้วิบากนั้นได้ สิ่งที่เราควรจะทําเวลาที่เกิดวิบากกรรมก็ให้ใช้หลักของคําสอนของพระเจ้าที่ให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของเราจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะได้สงบ จะได้ปร่งได้จะได้ปล่อยวางได้แล้วกา ร, รเผชิญกับวิบากรรมต่างๆก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นปัญหากับใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ทรงต้องเผชิญกับวิบากกับพระเทวทัตพระเทวทัตพยายามลงพชนถึงสามก้งด้วยกันแต่พระองค์ไม่เคยบน่นไม่เคย ไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีเลยพระทัยของพระองค์นี้กับเฉยๆและก็ไม่ตอบโต้ด้วยทั้งๆที่มีความสามารถที่จะระ ง, งับการกระทาของพระเทวทัตได้ทรงมีอิทธิฤทธิทรงมีบารมีเพียงแต่สั่งว่า พระองค์นี้ไม่ดีจะทำร้ายชีวิตเราบอกให้แก่ผู้อื่นทราบเท่านี้ก็จะมีคนที่จะมาส่งคอยอารักขาหรือว่ามานั ง, งับการกระทำของพระเทวทัตแล้วเพงแต่ว่าพระองค์เห็นว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นการที่จะหยุดวิบากกรรมหยุดได้ก็เฉพาะวันนี้แต่ ความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทที่ยังมีในใจของพระเทวทัตนี้ยังไม่หมดไปกับอาจจะทำให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะถูกละงับจากการกระทำของผู้อื่นก็จะสมความโกรธเกลียดในใจนี้ให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วพอโอกาสหน้ามีโอกาสก็อาจจะทำบาปทำกรรม ต่อไปอยู่ดีดังนั้นผู้ที่เข้าใจถึงหลักของกรรมหลักของเหตุของผลก็จะรู้ว่าเสียเวลาเปล่าๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็มีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถที่จะใช้อิทธิฤทธินี้ปกป้องรักษาชีวิตของท่านได้แต่ท่านก็ไม่ใช้ ท่านยอมให้ผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นท่านบอกว่าถ้าหยุดเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาใหม่แต่ถ้าปล่อยให้เขาสแสดงผลของเขาพอสแสดงหมดแล้วมันก็จะหมดไปวิบากกรรมนั้นก็จะไม่มีเลยแล้วอย่างใครจะมาตามด่าเราอย่าไปหนีนั่งให้ ฟันั่งเฉยๆปล่อยให้เขาด่าให้เหนื่อยให้พอให้เขาด่าให้อิ่มให้จุใจพอาะเาด่าอิ่มแล้วจุใจแล้วเขาเมื่อยแล้วเขาก็จะไม่ดา่าต่อไปเพระรู้ว่าด่าแล้วก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้ไปร้องห่มร้องไห้ไม่ได้ไปตอบโต้ไม่ได้ไปทําอะไรทั้งนั้นก็เหมือนกับนั่งด่ากับต้นเสา อ, อย่างนี้ ลองด่าไปสลยลองโขดใครเกลียดใครก็นั่งตรงหน้าเสานี้แล้วก็ดา่าสมมุติว่าเสานี่เป็นคนที่เราเกลียดด่าไปให้พอถ้าไม่พอจะทุบจะตีเสาก็ได้ทุบ้าไปตบหน้าเสาอต่อยเสาเตะเสาเอาเอาให้เต็มที่เลยเดี๋ยวก็หมดกําลังไปเราทําตัวให้เป็นเสาให้ได้แล้วทุกอย่างก็จะจบ เขาทําได้ไม่กี่ทีเขาก็หยุดไปเองหรืออย่างมากเขาก็อาจจะฆ่าเราตายไปก็ได้แต่เขาจะฆ่าเรารือไม่ฆ่าเราความตายมันก็ยังเป็นของเราอยู่ดีเราไม่ตายวันนี้เราก็ต้องตายในวันต่อไปเราหนีความตายไปไม่พ้นเราหนีวิบากกรรมไปไม่พ้นตายไปถ้าเขายัางมี มีความอาฆาตพยาบาทอยู่ถ้าไปเจอกันข้างหน้าเขาก็จะล้างแค้นต่อไปนะดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะต้องมีวิบากกรรมก็คืออย่าไปทำบาปถ้าเราทำบาปแล้วเราก็ต้องทนรับวิบากไปไม่ต้องไปทำอะไรทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นอย่างเดียว ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการใช้หนี้กันเราไปสร้างหนี้มาถึงเวลาเขาจะมาเก็บหนี้มาทวงหนี้เราก็ต้องใช้เขาไปพอใช้เขาไปแล้วพอหมดหนี้แล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเยนี่คือ เรื่องที่จะตามมาสำหรับผู้ที่ยังต้องทำบาปอยู่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่คิดว่าถ้าไม่ทำบาปแล้วจะอยู่ไม่ได้ทำไมไม่มองคนที่เขาไม่ทำบาปกันทำไมเขาอยู่กันได้เขาอยู่ดีกับเราสิเขาไม่มีวิบากกรรมต่างๆตามมาเช่นคนที่ไม่ทำผิดกฎหมาย กับคนที่ทำผิดกฎหมายนี่ใครจะอยู่สบายกว่ากันอย่างน้อยก็สบายใจถึงแม้ว่าจะไม่ร่าไม่รวยแต่จะอยู่อย่างสบายใจแต่คนที่ทำผิดกฎหมายช่อกงถึงแม้ว่าจ ะ, จะมีสมบัติมีข้าวเกินของเงินทองมากแต่จิตใจจะไม่มีความสบายเราจะมีความกังวล มีความหวาดกลัวยอยู่ภายในใจแล้วก็วันดีคืนดีผลของการกระทำผิดกฎหมายนี้ก็อาจจะปรากฏขึ้นมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับโดยทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเราเลยแต่มีเหตุการณ์เช่นขโมยขึ้นบ้านเขาก็มาตรวจดูว่า เข้ามาอย่างไรสูญเสียอะไรไปเขาก็ไปเจอทรัพย์ที่เรายักยอกที่เราโกงมาเก็บเอาไว้ในบ้านนี่คือเรื่องของการทําบาปหรือเรื่องของการทําอาชีพที่ไม่ควรจะกระทำขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่ขายสุลานี้เราจะไม่ชิปหาย เราจะไม่อดตายเพราะมีคนต้องเยอะแยะที่เขาขายของที่เขาไม่ได้ขายสุราที่เขาอยู่ได้เขาขายกระดาษดินสอเขาก็อยู่ได้เขาขายขนมเขาก็อยู่ได้มีอะไรของที่ต้องขายมากมายกายกองทาไมจะต้องมากังวลกับเรื่องของการขายสุรา นี่คือเรื่องของการพิจารณาที่เรายังต้องขายอยู่เพราะเพราะว่าเรากลัวความอดอยากขาดแคลนกลัวว่าจะไม่พอกินพอใช้ถ้าเราลดความโลภความอยากลงไปมันก็จะพอกินพอใช้เองถ้าเรายังอยากมีนั่นมีนี่อยากมีทรัพสมบัติต่างๆเหมือนผู้อื่นเขามีกัน มีรถยนต์มีอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะทำให้ทํามากินแบบสุจริตนี้ยากแต่ถ้าเราทาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆอย่างนี้รับรองได้ว่าธรรมาชีพสุดจริตธรรมาชีพ ท, ท, ที่ไม่ใช่เป็นวิ ช, ชาชีพนี้ก็จะทำให้เราอยู่ได้ เป็นขอทานเขายังอยู่ได้เลยนั่งขอทานข้างถนนวันหนึ่งได้ไม่กี่สตังค์แต่ก็พอกับการจุนเจือชีวิตพอที่จะมีเงินซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออยู่ซื้อยาซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ดังนั้นอย่าให้ความโลภของเรามาเป็นตัวบีบบังคับให้เรา รรทำอาชีพที่ไม่ควรจะกระทำหรือทำบาปทำกรรมเพราะว่ามันจะมีผลเสียหายร้ายแรงกว่าการที่อยู่แบบอดยากขาดแคลนอยู่แบบยากจนนี่คือคำตอบที่คำตอบของคำถามที่ถามมาในอินเทอร์เน็ต ก็เสกคำถามหนึ่งก็บน่นว่าชีวิตวุ่นวายหนอมีปัญหามากมายกายกองทําดีแล้วทําไมยังไม่ได้ดีก็เราจะไปรู้หรือว่าเราทําดีจริงหรือเปล่าแล้วเราทํามากทําน้อยเพียงไรบางทีทํานิดเดียวเราก็เหมาไปว่าทํามากมายอย่างที่มีคําพูดที่ท่านพูดไว้ว่า ความดีของเรานี้แม้เท่าผงธุลีเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกองภูเขาส่วนความไม่ดีของเราแม้จะใหญ่โตเท่ากับกองภูเขาเราก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนผงธุลีอันนี้แหละมันจึงทำให้เรามองไม่เห็นความจริงกันเวลากาดปัญหาเรื่องราวต่างๆกับชีวิตของเรา เราก็ไม่ไปโทษการกระทำการการกระทที่ไม่ดีของเราเรากลับไปตีโพตีพายที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นขอให้เรามองการกระทาของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราทำอะไรถ้าจดบัญชีได้ยิ่งดีใหญ่ว่าวันนี้ทำบาป ก, กี่ข้อวันนี้ทำบุญกี่ข้อ แล้วลองม า, ามามารวมยอดกันในวันสิ้นปีดูว่าปีนี้ทำบุญได้เท่าไหร่ทำบาปได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าอนาคตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่จดบัญชีไว้เราก็จะคิดว่าเราทำดีมากทำบาปน้อย พาการกระทำของเรานี่เราทำอยู่แทบทุกวันแล้วก็พอทำาปไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วดังนั้นถ้าไม่อยากจะหลอกตัวเองก็ขอให้จดก่อนจะนอนทุกวันก็จดว่าวันนี้เราได้ทำบุญอะไรบ้างวันนี้เราได้บอยจากทรัพย์เท่าไหร่ได้ใส่บาตรเท่าไหร่วันนี้เราโกหกหรือเปล่า วันนี้เราโกงหรือเปล่าชอบโกงหรือเปล่าอันนี้ลองทาบัญชีไว้ดูเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาบ่นทีหลังว่าทำความดีไม่ได้รับผลดีเลยจะได้มีบัญชีมาคอยยืนยันว่าก็ไม่ได้ทำเลยแล้วมันจะได้รับผลดีอย่างไร คนที่ทำดีก็ต้องได้รับผลดีแต่ผลของการทำความดีก็ไม่ได้เป็นผลที่เราคิดกันอีกแล้วพวกเรามักจะคิดว่าถ้าทำดีแล้วเราต้องเจริญในลาบยศสรรเสริญจะต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลินกายอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดี ผลที่จะเกิดจากการทำความดีก็คือการมีจิตใจที่สงบเย็นจิตใจที่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่ว่าจะเป็นผลของบุญหรือผลของบาปถ้าจิตใจทําความดีมากๆแล้วจิตใจจะนิ่งเฉยจะเป็นอุเบกขา ความโลภโมโทสันนี้จะน้อยลงไปอันนี้ต่างหากคือผลที่เกิดจากการทำความดีไม่ได้หมายความว่าทำดีแล้วจะรวยมากขึ้นจะมีตำแหน่งสูงขึ้นจะมีคนยกย่องสรรเสริญมากขึ้นจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นผลของการทำความดี ผลของการทําความดีก็คือความสงบความเย็นใจความสบายใจความลดลงของความโลภโกรธหลงของความอยากต่างๆของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆอันนี้เป็นผลที่แท้จริงของการทําความดีแต่การได้รับผลในการเจริญราบยศสรรเสริญ ในความสุขทางตาหูจมูกลินกายนี้ก็เป็นผลพลอยได้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เช่นเราทำความดีแล้วมีคนเขาเห็นความดีของเราเขาก็ให้รางวี่รางวัลเราให้ตําแหน่งอะไรต่างๆกับเราอันนี้เป็นผลพลอยได้พอดีเขาเห็น แต่ถ้าก็ไม่เห็นเขาก็อาจจะไม่ได้ให้รางวี่รางวัลอะไรกับเราเราก็จะไม่ได้อะไรแต่คนที่ได้ผลจากการทําความดีแล้วเขาไม่หิวกับเรื่องราวเหล่านี้เขาจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญจะไม่หิวกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะว่าผลที่ได้รับจากการทําความดี ภายในใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จะได้รับจากของภายนอกคือได้รับความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะผะอยงที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ารัตติสันติระลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการทําความดีการทําความดีก็ไม่ใช่มีเพียงการทําทานเพียงอย่างเดียวการทําความดีนี้มีอยู่ทั้งต้องสามระดับด้วยกันคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาะถ้าทําทานเพียงอย่างเดียวนี้ก็จะได้เพียงเล็กน้อย เป็นเหมือนถ้าเป็นเงินทองก็เป็นเหมือนเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทก็จะได้เท่านั้นถ้าอยากจะได้มากกว่า น, นั้นก็ต้องรักษาศีลแ้ารักษาศีลก็ได้แบงก์ใบละยี่สิบใบละร้อยใบละห้าสิบถ้าอยากจะได้มากกว่า น, นั้นก็ต้องภาวนาสมถะวิปัสสนาภาวนาแล้วก็จะได้เงิน อนบัตไบร์ลพันธ์ขึ้นไปคือความสุขใจนี้จะมีน้ําหนักต่างกั น, นความสุขใจที่ได้จากการทําทานนี้ก็ได้ได้น้ําหนักระดับหนึ่งเช่นหนึ่งกิโลทำทานจา ก, กาความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็สิบกิโลทําบุญที่ได้จากการ จเจริญส ม, มถภาวนาทำจิตใจให้สงบก็เป็นน้อยกิโลถ้าได้ความสุขจากการจเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นพันกิโลขึ้นไปอันนี้มีความหนักเบาต่างกันแต่ก็ต้องทำจากน้อยขึ้นไปหามากเพราะอยู่ดีๆจะขึ้นไปทำระดับ ร้อยระดับพันมันก็ไม่มีกำลังอยู่ดีเหมือนคนที่จะยกน้ำหนักจะไปะยกน้ำหนักเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ยกไม่ไหวต้องค่อยสร้างกำลังขึ้นไปยกทีละกิโลก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นสิบกิโลแล้วก็เพิ่มเป็นร้อยกิโลแล้วค่อยเพิ่มเป็นพันกิโลไปกำลังจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ การสร้างความสุขใจการด้วยการทำความดีก็ต้องทำเป็นขั้นๆไปทำทานไปก่อนทำทานแบ่งปันจาคะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นเราก็จะมีความสุขความสุขนี้ก็จะเป็นพลังของใจที่จะทำให้ทำบุญที่ยากกว่าได้ ทำทานได้แล้วก็จะรักษาศีลได้เบื้องต้นก็นรักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปได้ก็จะภาวนาได้จเจริญสติเก็บตัวอยู่ตามลำพังปิดทวารทั้งห้าตาหูจมูกนิ้วกายที่เป็นทางเข้าออกของความวุ่นวายใจต่างๆ ถ้าปิดทวาเหล่านี้แล้วความวุ่นวายใจที่เกิดจากทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะไม่มีก็จะเหลือแต่ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งภายในใจก็ต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมความคิดปรุงแต่งการเจริญสตินี้จะทำให้ความคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นหยุดไปพอความคิดปรุงแต่งหยุดไปแล้ว ความสงบของใจก็จะปรากฏขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมาแต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจากการทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดแล้วก็เก็บตัวปีกวิเวกควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายปิดทวารทั้งห้าไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราววุ่นวายต่างๆแล้วก็จเจริญสติ เช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพื่อระ ง, งับความคิดปูนแต่งต่างๆแล้วจิตก็จะได้เข้าสู่ความสงบขั้นน้อยกิโลแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลเป็นเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมก็ต้องใช้วิปัสสนาพอออกจากสมาธิแล้วออกจากความสงบ ที่เกิดจากสัมมถ์หลักเกิดจากการเจริญสัมมถ์ภาวนาแล้วก็ต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางที่จะสร้างความวุ่นวายใจที่จะมาทำลายความสุขความสงบของใจก็องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเขามีสุขและก็มีทุกอย่างที่ได้พูดไว้คือราบยศสรรเสริญสุขนี้มีด้านที่เจริญและมีด้านที่เสื่อมเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริ ญ, ร ญ, ญ, ร ญ, รญก็มีนินทามาแทนที่ เสื่อมสุขก็มีความทุกข์มาแทนที่ท่านยังบอกว่ารากยศสารเสริญสุขกับการเสียมราบยศนินทานทุกนี้เป็นของของคู่กันเราไปเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเอาเหรียญ น, นี้อยากจะได้เพียงด้านเดียวไม่อยากได้อีกด้านหนึ่งเหรียญมันมีสองด้านมีหัวมีก้อยจเจ้าแต่หัวอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ ของต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์คู่กันมาตลอดเวลาถ้าไม่อยากจะได้ของเสื่อมไม่อยากจะได้ความทุกข์ก็ต้องไม่เอาเลยต้องไม่เอาราบยศสารเสือมไม่เอาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายเลยพอเราไม่เอาแล้วทีนี้มันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเรา เราจะมีเงินทองเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจมันจะหมดหมดไปเหลือศูนย์เราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่ต้องอาศัยเงินทองมาให้ความสุขกับเราแล้วเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วก็คือความสุขที่ได้จากการเจริญสมถะภาวนานี้เองแล้วพอเรามีวิปัสสนาภาวนาหยุดความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขได้ ทีนี้ก็จะไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เลยพอไม่มีความอยากได้ใจก็กลับเข้าสู่ความสงบเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดที่เรียกว่าปรมังสุขขัง นี่คือความสุขของพระอริยเจ้าของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้เกิดจากการาทำความดีในระดับต่างๆกันถ้าทำความดีอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําแล้วรับรองได้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆจากปัญหาต่างๆ จากความไม่สบายอกสบายใจต่างๆจากความทุกข์ต่างๆเราจะอยู่ท่ามกลางความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามโลกจะเจริญหรือจะเสื่อมราบยศจะรเสริญจะเจริญหรือจะเสือ่อมจะสุขหรือจะทุกข์ก็จะไม่มากระทบกับความสุขของผู้ที่กระทำความดี ในระดับสูงสุดได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ใจของท่านเป็นเหมือนน้ํบาบนใบบัวน้ํากับใบบัวนี้มันจะไม่ซึมเข้าหากันใจของพระพุทธเจ้ากับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้จะไม่ซึมทราบกันเป็นแต่จะรับรู้กันพระพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าโลกนี้มีปัญหาต่างๆมีเรื่องมีราวต่างๆ แใจของพระพุทธเจ้าไม่ไปวุ่นวายกไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใจของพระอรหันต์ก็เหมือนกับใจของผู้ที่ยังไม่ได้ทําความดีถึงระดับสูงสุดนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ํากับกระดาษซับกระดาษซึมเวลาหยดน้ําลงไปบนกระดาษทับนี่เป็นยังไงน้ํานี้หายไปเลยไปเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษซับกระดาษซึม ใจของผู้ที่ยังไม่ได้ทำความดีถึงขั้นสูงสุดได้ก็จะเป็นอย่างนั้นพอรับรู้เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ก็จะเกิดอาการขึ้นมา ท, ทันทีถ้าเรื่องราวที่ดีก็ดีอกดีใจถ้าเรื่องราวที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่เพราะว่าไม่ได้ทำความดีแล้วพอไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเขาก็มาร้องมาบ่น ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่เวลาที่ได้เจอกับของที่ชอบใจดีอกดีใจก็ไม่เห็นบ่นกันกลับนั่งฉลองกินกันดื่มกันอย่างสนุกสนานเฮฮ า, เ, าเพราะว่าไม่มีปัญญ า, าคิดว่าโลกนี้จะมีแต่งานเลี้ยงเพียงอย่างเดียวคิดว่าจะมีงานเลี้ยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดกันพ อ, อ, อไปเจอวันสิ้นสุดของงานเลี้ยงก็รับไม่ได้ ทำใจไม่ได้บางครั้งก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปเวลาที่ไม่มีความสุขแล้วมีแต่ความทุกข์เช่นเป็นอมพตะเป็นอมภารเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆได้เหมือนกับเมื่อก่อนนี้แล้วใจ ก, ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมก็เลยฆ่าตัวตาย ก็เลยทําบาปขึ้นมาอีกการฆ่าตัวตายนี้ก็ร้ายแรงกว่าการฆ่าผู้อื่นอีกเพราะการฆ่าผู้อื่นนี้เราฆ่าในสิ่งที่เรา <c oughs> ไม่รักแต่ร่างกายนี่เรารักมันมากเราถึงกับฆ่ามันได้ก็แสดงว่าเรานี่มีความโหดเหี้ยมทารุณมากฆ่าถึงกับฆ่าสิ่งที่ตนเองรักไป เหมือนกับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็แบบเดียวกันพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่สำคัญบุคคลที่ลูกรักมากที่สุดแต่ถ้าถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นี่ก็ถือว่ามืดบอดมากหลงมากและความหลงนี้ก็จะพาให้ไปฆ่าต่อไปเวลาไปเกิดข้างหน้าแล้วไปเจอเหตุการณ์ซ้ ำ, ซ, ำซากแบบนี้ก็จะแก้ปัญหา ด้วยการฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นตายไปแทนที่จะใช้ธรรมะคือใช้สติสมาธิปัญญามาแก้ทําใจให้สงบสอนใจให้เห็นว่ามีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้ามีความสงบมีความสุขจากความสงบได้ก็จะไม่เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ สร้างความสุขนั่นเองแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายบกพร่องไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตอนนั้นก็ไม่สามารถหาความสุขได้ก็อยากจะตายเพียงอย่างเดียวแต่การฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าปัญหาต้นเหตุของปัญหา ต้นเหตุของปัญหาก็คือความหลงที่ไปหาความสุขที่มีวันเสือ่อมคือไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตากลับมาเกิดใหม่ก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่แล้วพอร่างกายนี้มีอุปสรรคไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะฆ่าร่างกายนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะ ได้รับคำสอนแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ให้ยอมรับว่ามันเป็นวิบากมันเป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราเองเราต้องหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วมาหาความสุขผ่านทางจิตใจโดยตรงดีกว่าผ่านสติผ่านสมาธิผ่านปัญญานี่แหละที่ทำไมพวกเราจึงต้องมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมกัน เพื่อเราจะได้รู้จากวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีวันเป็นไปได้ตลอดเวลามีการเป็นไปได้มีการเสื่อมมีการชำรุดมีการบกคล้องไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตลอดเวลาถ้าเราสามารถหาความสุขผ่านการเจริญสติสมาธิปัญญาได้ ปัญหาของร่างกายก็จะหมดไปยังไม่เป็นปัญหากับเราดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความสุขภายในใจกันให้ได้อย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปพึ่งลาบยศสรรเสริญเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาอาจจะมาแล้วเขาอาจจะไปก็ได้เขาอาจจะไม่มาอีกก็ได้เวลาไม่มาแล้วจะทำยังไงเวลาหาเงินทองไม่ได้จะทำยังไงเวลาสูญเสียตาแหน่งอันยิ่งใหญ่ไปจะรู้สึกอย่างไรเวลาไม่มีคนสรรเสริญมีแต่คนนินทาด่าว่าเก่าจะทำอย่างไร เวลาที่ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จะทำอย่างไรก็จะฆ่าตัวตายนั่นเองแต่ถ้าเราหาความสุขผ่านการเจริญสติสมาธิปัญญาผ่านการทําทานผ่านการรักษาศีลได้เราก็จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลาบยศสรรเสริญเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่สามารถมายับยั้งการหาความสุขภายในใจได้จิงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้เอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีธีขายุโภพวะอะพิวะธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายโน จตาโรธรมมาวาทานติอายุวนโนสุขังพาลังถ <c oughs> ้าที่มาที่หลังอยากจะเอาของเข้ามาถวายอยากจะมาเอาหนังสือ c ีดีก็เชิญเข้ามาได้ถ้าถามปัญหาก็ลองถามดูก็ได้อ่านปัญหาใหม่ก็ได้ ถ้าตอบไม่ไม่ครบจะได้ตอบใหม่ตอ่อมีใครจะถามปัญหาทำอะไรก่อนไหยครับแนวทางปฏิบัติทำมาม า, มาอาจารย์ค้างเมื่อกี้ที่พูดถึงสุราค่ะเป็นยังส้มเกลี่ยใหม่นะคะคนเขาแบบว่าให้ของฝันเป็นพวกวายเป็นแพรอย่ น, นะ ค, ะคนให้กับคนที่ได้รับนี่นะคะจะผิดยังไงคะแล้วก็อย่างคนรับในบางคนเขาไม่ค้างใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่าแพร์เขาก็ให้ <laughs> คนอื่นต่ออีกอย่างนี้เป็น ม, มันผิด ถ้าเรามองว่ามันเป็นยาพิษมันก็ผิดมีก็มีใครอยากจะให้ยาพิษต่อกันหรึเปล่าโชราเนี่มันก็เป็นยาพิษดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันพิษพิษน้อยแล้วทําลายช้าต้องกินเยอะๆเป็นเวลาปีเป็นปีๆถึงจะเกิดโรคทางโชราขึ้นมาแต่มีพิษเนี่ยก็ถึงเขียนป้ายติดไว้ไม่เห็นเหรอการดื่มโชราเป็นเหตุให้เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้ มันเป็นยาพิษเรามองไม่เห็นกันเองเรายังไปมองว่าเราไปมองที่ราคาว่าโอ้ะมันแพงถ้ามันแพงแล้วมันต้องดีไม่เคยคิดว่าของที่มันเป็นพิษมันก็ขายแพงได้ราคาแพงได้เหมือนกันดังั้นเราต้องมองว่ามันเป็นเป็นพิษหรือเปล่าถ้าเราเป็นพิษเราควรจะทํานะควรจะเทมันทิ้งไปเหมือนถ้าเขาเอาเอาอยาล้างซุวมใส่ไปในขวดวาย เราติดราคาสองแสนเนี่ยแล้วคุณเอาไปให้คหนอื่นเขาเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็แบบเดียวกันมันก็เป็นพิษเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันส่งผลช้าเร็วต่างกันเท่านั้นเ <c oughs> องอาว่ามาได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระจางสุชาติพิชาโตนะครับปัญหาแรกจากคุณบีนาถ้าเราพูดโทรไปพร้อมกับเห็นความรู้สึก ดีใจหงุดหงิดเึืเขิมได้ไหมไม่ได้หรอกใค่อยู่กับพูดโทเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่คุณปุ้ยนะครับถ้าเราชอบแต่ความสงบแต่มีเหตุการณ์ที่ทุกคนอยากให้ออกไปมีส่วนร่วมแต่เราไม่ไปเพราะไม่ชอบเสียงดังๆเลยไม่ไปแต่ก็ถูกตาหนิว่าไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเราทาผิดหรือไม่ ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราก็เราก็ทําหน้าที่ของพลเมืองดีอยู่แล้วคือเราอยู่ในความสงบไม่ไปสร้างเรื่องวุ่นวายการออกไปสร้างเรื่องวุ่นวายไปเผาบ้านเผาเมืองนี่ไม่ใช่เป็นการรักบ้านเมืองที่แท้จริงการรักบ้านเมืองที่แท้จริงต้องอยู่ในความสงบ ทำอะไอยากจะไปแสดงความเห็นก็ได้อยากจะไปแสดงตัวอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ไปทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่อสังคมต่อประเทศชาติถ้าออกไปแล้วเป็นการเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภยัยก็อย่าไปดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะสิ่งที่เราควรที่จะให้สําคัญมากกว่าประเทศชาติก็คือจิตใจของเรา คำถามข้อต่อไปจากคุณจรูนศรีนะครับตอนนี้ทำไมชีวิตยังวุ่นวายมีกรรมมีเวรมากมายเหลือเกินอยากเข้าวัดจังแต่ทำมาหากินคิดแล้วเศร้าก็อย่างที่ได้ตอบไปแล้วเวลาสุขก็ไม่บ่นกันพอทุกข์ก็มาบ่นกันอยากจะเข้าวัดกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาทำก็ไม่คิดซะก่อนว่าทาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมา อ้างเหตุ น, นู่นเหตุ น, นี้ว่าต้องทำมาหากินรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้แลเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆตามมาอเอาก่อนก็ได้เดี๋ยวมี้มีไหมมีครับคำ<อ>ถามข้อต่อไปจากคุณรัชณีนะครับมีญาตินอนป่วยที่โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเขาไม่เคยปฏิบัติธรรม เราจะช่วยเขาด้วยวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เขาได้ไปสบายที่เขาต้องนอนป่วยโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้เป็นเพราะเขาต้องชดใช้กรรมอยู่ใช่ไหมเจ้าคะก็อย่างที่บอกเวลาเวลาสุขสบายก็ไม่ขวนขวายกันพอเวลาจะตายแล้วมาขวนขวายกันมันจะได้อะไระโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาตัวคนที่เขาเป็นเขาไม่เดือดร้อนนุ่นวายอยากจะขวนขวาย อเราเองอยากจะไปขนขวายแทนเขามันไม่ใช่เรื่องของเร า, าหน่อยหร เ, เรื่องของอ ah ัตตาหีอัตโนนาโถการดูแลรักษาใจของแต่ละคนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวต้องรักษากันเองคนอื่นเนี่ยก็ได้เพียงแต่แนะนําวิธีแต่ก็ต้องคนปฏิบัติก็ต้องสนใจก่อนถ้าไม่สนใจไปสอนเดี๋ยวก็โดนเขาราด่ากลับมาอีกว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันเพราะฉะนั้น ถึง เ, เวลานั้นก็ต้องปงว่าจะทำกรรมอันใดไว้บุญหรือบาปก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเท่านั้นเองคำถามข้อต่อไปจากคุณมณีรัตน์ะนะครับ<ม>กับเรียนถามพระอาจารย์คนที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมแล้วตายจากโรคนี้ไปพอไปเกิดใหม่ความจำจะกลับมาหรือไม่ มันขึ้นอยู่ว่ามันเสื่อมด้วยทางร่างกายเป็นเหตุหรือว่าเสื่อมทางใจเป็นเหตุถ้าเสื่อมทางร่างกายเป็นเหตุเวลาตายไปกลับมาได้ร่างกายใหม่ที่ครบถ้วนบริบูรณ์มันก็จะมันก็จะไม่เสื่อมมันก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนตาหรือว่าตาบอดอย่างนี้มันก็มองไม่เห็นเวลากลับมาเกิดใหม่ได้ตาดีมันก็จะมองเห็น ความจำบางอย่างนี่มันอยู่ที่รอยู่ที่ไวอยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมนี้ความจำมันก็จะเสื่อมตามไปด้วยแต่มันมีของบางอย่างที่ใจมันจะไม่ลืมไม่เสื่อมเช่นอริยสัจสี่ความจริงนี้มันจะไม่ลืมผู้ที่รู้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วนี่จะไม่ลืมจะไม่เสื่อมถ้าเป็นความเสื่อมทางใจมันก็ ก็ต้องเสื่อนต่อไปจนกว่าจะแก้มันวิธีแก้มันก็ต้องสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วต่อไปมันก็จะไม่เสื่อมมันจะจดจำได้คนที่ระลึกชาติได้ก็เพราะว่ามีสติที่ดีเพราะมีสติดีก็จะทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็สามารถย้อนลําลึกถึงอดีตต่างๆที่ผ่านมาได้เหมือนกับน้ำที่มันขุนกับน้ำที่มันใส น้ำขุนนี่เราจะมองอะไรไม่เห็นแต่ถ้าเราทําให้น้ํามันใสแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ํานั่นแหละสิ่งต่างๆความจําต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันก็อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราจํามันไม่ได้เพราะใจเรามันขุนเมื่อเช้านี้กินอะไรบางทียังจําไม่ได้เลยแต่ถ้าใจเราใสา่นั่งใจให้สงบแล้วนั่งย้อนกลับไปก็จะจําได้หมดมาเมช้านี้ทําอะไรกินอะไร เจอใครคุยกับใครอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของใจมันก็ต้องพัฒนาถ้ า, าความเสือ่อมความจำมันเสื่อมเพราะใจเป็นเหตุคือไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาแล้วต่อไปพอมีสติแล้วมันก็จะจำอะไรต่างๆได้คำถามข้อต่อไปจากคุณลักดานะครับเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมด้วยการทาสมาธิและภาวนาก็เพื่อพระนิพพาน แล้วปุถุชนธรรมดาสามารถเข้าถึงได้ไหมแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปุถุชนนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปพระนิพพานกันนะไม่ใช่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านท่านถึงแล้วท่านไม่นองไปแล้วท่านก็เป็นปุถุชนมาก่อนไม่มีใครเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกิดมาไปถึงนิพพานกันนะเพราะผู้ที่ถึงนิพพานก็ไม่มาเกิดอยู่ดี ดังนั้นก็เป็นพวกปุถุชนทั้งหลายอย่างเราอย่างท่านนี่แหละที่จะไปถึงพระ น, นิพพานกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะไปหรือไม่ท่านั่นเองหรือยังอยากอยู่กับลาบยศสรรเสริญยังอยากอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะยังอยากมีแฟนยังอยากมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติมีหน้ามีตาถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปหรอกคนที่จะไปต้องไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะรักษาสิง อยากจะนั่งสมาธิอยากจะเริญนวิปัสสนาอยากจะอยู่คนเดียวปิดวิเวกนี่แหละคือบุคคลที่จะไปได้คำถามข้อต่อไปนะครับนิพพานในทางพุทธศาสนากับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ท่านพุทธทาสกล่าวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคาว่านิพพานนี่แปลว่าจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง ส่วนการที่จิตอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่มันมีความหมายได้หลายลักษณะเวลามีสติมันก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เช่นเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธจิตเราไม่ไปคิดอดีตไม่ไปคิดอนาคตมันก็อยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานเวลาเผลอสติมันก็แวบไปหาอดีตไปหาอนาคตแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะที่ที่แ ก, ก่กลาก็สามารถดึงจิต ให้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่มีสติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความรู้วาโกรธหลงได้เพราะยังไม่ได้ชําระสตินี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชําระความรู้ความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้สิ่งที่จะทำที่จะชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโล้ความโกรธความหลงได้ก็คือวิปัสสนาภาวนา การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ ส, สี่ถ้าเห็นแล้วก็จะหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงได้ถ้าหยุดโลภหยุดขืนร้ายหยุดโลภหยุดโกรธหยุด ห, ดหดลงได้จิตก็เป็นนิพพานคําถามข้อต่อไปนะครับพระอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับชีวิตหลังการตายอย่างไรและเราควรทําอย่างไรให้ตายอย่างมีสติ ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสิมันถึงจะมีสติได้ถ้าอยู่ไปไม่มีสติสดังเวลาตายมันก็ไม่ทุกอยนก็ตายแบบไม่มีสติสตังแล้วตายไปอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้แลาตายเราถ้ายังมีกิเลสตังหาอยู่ก็ต้องไปเกิดต่อต้องไปทําไปใช้ไปเกิดตามบุญตามบาปที่ทําไปถ้าเวลาตายไปบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญ ก็จะดึงไปอาบายถ้าบุญกับบาปมีกาลังเท่ากันไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์หรือดึงไป อ, าอาบายได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ม่คำถามข้อต่อไปนะครับถ้าเราทำบุญด้วยความศรัทธาด้วยทรัพย์ที่เป็นสัมมาอาชีพและไม่เดือดร้อนแก่เราแต่ต่อมาภายหลังเราเกิดความลังเลสงสัยในพระผู้รับเราควรถามข้อสงสัยหรือเปล่า หรือปล่อยวางเสียเพราะถือว่าเราทำบุญไปแล้วในวงเล็บใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะความสงสัยนั้นทำให้จิตตกเกิดความกังวลมากคือการทำบุญนี้มันไม่เกี่ยวกับผู้รับมันเป็นเรื่องของเราเราทำบุญเพื่อสละความหวงความตนีความยุติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเรา ส่วนผู้รับนี้เขาจะดีไม่ดีมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเพราะเรายังให้ขอทานได้เวลาเราเห็นขอทานอดอยากขาดแคลนเราก็ให้เขาได้หรือเวลาเราเห็นคนที่เขาเดือดร้อนเช่นไฟไหม้น้ําท่วมเราก็ช่วยเหลือเขาโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาดีหรือชัว่วเขาอาจจะเป็นคนทํำบาปทากรรมไว้ก็มีแต่เราไม่สนใจ เราต้องการที่จะช่วยเหลือเขาเราต้องการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องการแบ่งปันความสุขบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้คือเหตุของการทําทานไม่ใช่ว่าต้องบุคคล น, นี้จะต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะทาทําทานแล้วได้บุญมากทำมันก็ทําได้เท่ากันบุญที่ได้จากการให้นี่มันเท่ากัน แต่บุญที่จะได้รับจากพระอรหันต์จากพระพุทธเจ้านี้มันอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้รับธรรมะจากพระอรหันต์ที่เป็นธรรมแท้ที่จะทําให้ชีวิตของเราหูตาสว่างขึ้นทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้อั น, นี้เป็นบุญอีกอีกข้อหนึ่งต่างหากจากบุญที่เกิดจากการให้การให้นี้จะให้ใครก็ตามได้เท่ากันหมดแต่บุญที่เรา ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราให้นี้อยู่ที่ความสามารถของบุคคลต่างๆที่เราให้ถ้าเราให้คนที่มีความรู้มากเขาก็จะให้ความรู้กลับมากับเราได้มากเช่นเราทาบุญกับคนที่จบป .6 กับคนจำบุญที่จบม .6 ทาบุญกับคนที่จบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยความรู้ที่เขาจะให้เรานี้มันไม่เท่ากันเพราะมีเขามีความรู้ไม่เท่ากัน อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยถ้าได้มีโอกาสได้ฟังคําพูดของเขาแต่ถ้าทําบุญแล้วไม่ได้ฟังไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็เหมือนกับทํากับใครก็เหมือนกันทํากับพระจริงกับพระปอมมันก็เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ฟังธรรมจากเขาถ้าฟังธรรมเราก็จะได้ของจริงหรือของปอมจากเขาไป ถ้าเขาเป็นพระปลอมเขาก็จะสอนธรรมะปลอมให้กับเราถ้าเขาเป็นพระจริงเขาก็จะสอนธรรมะจริงให้กับเรากาเท่านั้นเองอันนี้เป็นผลพลอยได้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันรถอย่างเงี้ยบางปั๊มเขาก็มีของแถมให้เรานปั๊มนี้แล้วได้น้ํามันแล้วยังได้ของแถมได้ผ้าขนหนูได้สบู่ได้แปรงสีฟันยาสีฟัน อันนี้เป็นของแถมบางปั้มก็มีบางปั้มก็ไม่มีถ้าเราไปทําไปเติมน้ํามันในปั้มที่เขามีของแจกเราก็จะได้ของแถมมาหรือถ้าเราไม่อยากจะรับเราต้องการน้ํามันอย่างเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรในันการทําทานนี้เจตนารมก็คือการลดละความตณีความหวงลดละความโลภอยากได้มากๆลงไปอันนี้จะทําให้ใจสงบ ทำให้ใจมีความสุขไม่ว่าจะทํากับพระพุทธเจ้าหรือทํากับขอทานข้างถนนเหมือนกันอันนี้แต่ผลที่เราจะได้รับจากผู้รับนี่อยู่ที่เขาจะพูดอะไรจะบอกอะไรกับเราถ้าได้ทํากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอาจจะบอกคาสองคำเราอาจจะไปถึงพระนิพพานเลยก็ได้แต่ถ้าไปฟังขอทานพูดเขาก็อาจจะพูดแบบให้เรา ทุกมากขึ้นเพราะเขาบอกแม่ให้น้อยแล้วเกินอยากจะได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องแยกประเด็นว่าการทําทานนี้ไม่ว่าจะทํากับใครนี้ถ้าทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือทําการชําระความตณีชั้นะความโลภชนะความหวงนี้ก็จะได้ผลแล้วไม่ว่าจะทํากับใครส่วนของแถมที่ได้จากบุคคลที่เราไปทํานั้นก็อยู่ที่ว่าเขามีอะไรจะแถมให้กับเรา นะขใจคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามของคุณแพตตี้ที่ส่งมาทางข้อความที่พระอาจารย์เมตตาตอบไปแล้วนะครับมีโอกาสไปถวายกระถินนณวัดแห่งหนึ่งได้ถวายกันไกยตัดเล็บพระสงฆ์ก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยในการตัดกิเลสตัณหาอุ ป, ปาทานจะถือว่าเป็นศีะระพตาปามากหรือไม่เพราะถวาย ก, กาญตัดเล็บจะไปตัดกิเลสตัณหาคมไม่ได้กิเลสตัณหา ต้องตัดด้วยอินซีห้าพละห้าแบบนี้จะถือว่าเป็นศีลปะปะผะตะปามาศหรือไม่เราก็ตอไปแล้วไม่เฉ่ว่ามันเป็นมันไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลมันเป็นความโง่งม ง, งายเหตุที่จะตัดกิเลสมันก็ต้องภาวนาเจริญสติสมาธิ ป, ปัญญามึงจะตัดได้เั้นก็ซื้อที่ตัดเล็บมาตัดกันให้สบายเลยเวลาโลภ ก, ก็เอาที่ตันเล็บมาตัดมันไปเลย อย่าโลมนะถ้าโลมมาหลายเจ้าที่ตัดเล็บตันหนึ่งนะกระดูเซจะหยุดมันได้ป่ะครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณลานานะครับที่พระอาจารย์เมตตาตอบไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่านไปแค่ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะถือศีลห้าให้บริสุทธิ์แต่ติดที่มีอาชีพค้าขายโชห่วยหนึ่งในนั้นก็คือขายเหล้าเบียร์ซึ่งข้าพเจ้าไม่อยากทําเลยแต่ด้วยเหตุผลทางโลก และทำให้ขัดแย้งกับสามีเรื่อยมาเพราะทำมาแล้วหลายอาชีพแต่ไม่ประสบผลสำเร็จข้าพเจ้าไม่เคยสบายใจเลยตลอดเวลาหลายปีที่ทำอาชีพนี้คิดอยู่ตลอดเวลาว่านี่คืออาชีพต้องห้ามแต่ก็ได้สวดมนต์สมทานศีลห้าก่อนนอนและถือศีลอุโบสถที่วัดทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก็ทำได้ไม่บ่อยนักเพราะยังมีลูกเล็กสี่ขวบ อยากให้พระอาจารย์แนะนําทําอย่างไรจะให้ติดกรรมในสัมมาอาชีพน้อยลงและทําอย่างไรจะรักษาสีให้บริสุทธิ์ก็ให้ถือหลักมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดหรือเอาเท่าที่จําเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่นั้นเองถ้าเราต้องการเพียงปัจจัยสีนี้คิดว่าเราจะไม่ต้องทํามาหากินด่านที่ ต้องห้ามอาชีพที่ต้องห้ามได้แต่ถ้าเรายังอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือสู ง, ส ง, สงเๆเรียนโรงเรียนดีๆมีราคาแพงๆอันอย่างนี้มันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระเจ้าได้แต่ถ้าให้เราคิดว่าชีวิตนี้มันก็เพียงแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเรียนสูงขนาดไหนไม่ว่าจะรวยขนาดไหน ในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะปร่งได้บอกเรามีกําลังเท่านี้เราส่งให้เขาได้เรียนแค่นี้ก็เอาเท่านี้แหละเขาจะไปสูงกว่านี้หรือไม่ก็อยู่ที่บุญกรรมของเขาแล้วล่ะเด็กบางคนไม่มีพ่อแม่ส่งก็เรียนจบด็อกเตอร์ได้ถ้าเขามีความมีไฟในตัวของเขามีพรสวรรค์ในตัวของเขาดังนั้นเราต้อง ตงแล้วแ่ละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามบุญตามกรรมแต่เราจะไม่ทําบาปโดยดิฉันขอให้ถือหลักนี้ไว้เท่านั้นเองแล้วชีวิตของเราจะไม่ตกต่ําครับคําถามข้อต่อไปครับพระอาจารย์เป็นคําถามส่วนตัวครับเมื่อสองวันก่อนไปวังน้ําเขียวและได้ไปซื้อเต่าที่ตลาดมาครับอ่าแต่ว่าเต่าเนี่ยเขาซื้อมาไม่ได้เอาไว้กินกันแต่ว่าซื้อมาเพื่อให้คนไปปล่อย แต่คําถามคือแล้วคนไปจับมาเนี่ยมีกรรมไหมครับที่จับมาขายแล้วเอาให้คนไปปล่อยครับอาจารย์ก็เหมือนกับค้าของที่มีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมตายไปอาจจะไปเกิดเป็นเต่าให้เขาไปจับมาขายมันก็แค่นั้นแหละถ้าไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็อย่าไปทําของเหล่านี้เพราะมันมีผลตามกลับมาทํา ทำอะไรกับใครมันก็จะมีผลอันนั้นกลับมาหาเราให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมกลับมาหาตนเสมอคำถามหมดแล้วครับนี้มีญาติโยมุพิ่มาใหม่มาจากที่ไหนจะมารายงานตัวก็เชิญนะอยากจะเข้ามาเอาเข้าวของมาถวายมารัำหนังสือซีดีก็ขอเชิญเข้ามาได้เพราะพิ่งเทศไปเสร็จประมาณทักชั่วโมงแล้ว ก็มีแต่การคุยสนทนาต่อปัญหาธรรมกันนั้นถ้ามีอะไรก็ขอเชิญเข้ามามาหยิบหนังสือซีดีไปอ่านกันก็แล้วกันหรือมีคำถามก็เข้ามาถามได้มาจากสุพรณบุรีครับเคมาอ่ดีอาขาก็เชิญนะมีหนังสือซีดีถ้าอยากจะได้ก็หยิบเอาตามาที่อาศัย พรอาจารย์ครับมีข้อความหนึ่งซึ่งซึ่งรู้สึกว่ารุนแรงมากเลยครับที่ส่งมาทางข้อความนะครับพอาจารย์จะเมตตาสอ น, นหน่อยเลยครับ<ม>ขอรัตนาเขียนชื่อนักการเมืองชั่วไม่ต้องนะครับเราก็ชั่วเพราะพ่อเขาแหละถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นมันก็พอกันแะอย่าเอาความชั่วมาทำลายความชั่วต้องเอาความดี ความดีก็คือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยถ้ายังอยากชนะเขาอยู่นี่แสดงว่าเราก็ยังเป็นมารอยู่เรายังไม่เป็นพระถ้าเราปล่อยให้เขาชนะไปเรายอมแพ้เราก็จะเป็นพระปล่อยให้เขาทาบุญตามกรรมไปเหมือนกับเทวทีพ่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เทวทัศทำไปเหมือนกันเลยพวกเราไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเทวทัศกันอยากจะเอาแต่ชนะเพียง อ, อย่างเดียวไม่ยอมแพ้กัน พวนะกเราเป็นสิทธิ์ของบุตคเจ้าเราต้องรู้จักคำว่าแพ้เพราะคำว่าแพ้นี่เป็นคำประเสริฐไม่ใช่เป็นคำที่ไม่ดีเพราะาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารพระถ้าเราแพ้แล้วเราจะได้ไม่ไปทำบาป ท, ทากรรมถ้าเรายอมแพ้แล้วเราก็หยุดปล่อยวางไม่ไปตอบโต้ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรม ถ้าเราจะเอาชนะเขาเราก็ต้องไปทุบไปตีเขาไปทำร้ายเขาอันนี้เราก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมอ๋อไม่ไม่ต้องขอกขามาหรอกไม่เป็นโทษเป็นภยัยัะไงก็ที่นี่ยินดีต้อนรับเพียงแต่ว่าจะจะทำอะไรก็มันเป็นขั้นตอนของเวลา ถ้าจะฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมาตั้งแต่ตอนสองโมงถ้าแสดงเสร็จแล้วจะให้แสดงใหม่มันก็ไม่ไหวมันก็เหนื่อยก็ขอให้เอาแผ่นซีดีไปไปฟังเอาหนังสือไปอ่านแทนหรือถ้าอยากจะฟังเทศวันนี้เดี๋ยวกลับไปฟังในอินเทอร์เน็ตได้ การที่พูดต่อเราเล่นกันแต่ว่าเราไม่ได้พูดโฆษณาเลยแต่ว่าเราเก็บตัวมาเองเหรือว่าเป็นบาป ห, หรอ <S <S มันไม่เป็นบาปแต่มันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาที่จะไปทำบาปต่อกันได้พอพูดไปแล้วเขาโกรธเราเขาเขาพูดกลับมาแล้วก็โกรธเขาเดี๋ยวก็ทุบตีกันได้มันเป็นชนวนเหมือนน้ำพิ่งหยดเดียว ทางที่ดีก็คนระมัดระวังการพูดคนจะพูดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันการพูดหยอกล้อกันนี่มันเป็นนิสัยของสุนัขเห็นไหมสุนัขที่มันหยอกล้อกัน่ะตัวเล็กๆมันหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวมันก็กัดกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นสุนัขเราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็ต้องรู้จักสามมาวาจาไม่พูดปดไม่พูดเพอเจ้อไม่พูด คำหยาบไม่พูดส่อเสียดหรือไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีเกิดความแตกแยกในความรักความเมตตาต่อกันให้พูดประสานให้เกิดประโยชน์อ ย, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงพูดเนี่ยทุกคําพูดของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ประโยชน์ผู้ฟังเราฟังแล้วจะได้รับประโยชน์ ถ้ามันพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์พูดไปทำไมเสียน้าลายไปตป่ า, าเสียเสียเสีย mm hmm. เสียเครดิตไปบ่ า, าเพราะต่อไปคาพูดของเราจะไม่มีน้าหนักคนฟังแล้วก็จะเอ้นี่มันพูดแต่เรื่องไร้สาระพูดเพือเจอ้า mm hmm. ขี้เกียจคุยกันมันเสียเวลา mm hmm. แล้วถ้าจะมีทำภาระทาธุรกิจหรือทำอะไรก็อาจจะไม่อยากจะทำกับคนนี้ทาไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไร คำพูดของเรานี่มีมีผลมากต่อต่อความรู้สึกของผู้ผู้นนี่เขาจะวัดเราอยู่ที่คำพูดของเรางั้นขอให้เราระมัดระวังคำพูดคำพูดนี้ก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นนายมันพอเราพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายเรามันจะเป็นตัวบังคับหรือเป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ที่เราพูดปลดบ่อยๆเข้าต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อเชื่อถือแต่ทุกครั้งที่เราพูดนี้เป็นความจริงนี่คนก็ก็จะเชื่อถือเราเสมอเพราะเขามั่นใจเพราะเราไม่เคยพูดปลดอย่างที่พระพุทธเจ้านีนพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าได้ร้อยเปอร์ซ็นต์เลยเพราะทุกคําพูดของพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงล้วนๆ ดัง น, นั้นขอให้เราศึกษาสัมมาวาจาที่มีอยู่สี่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นต่อความรู้สึกของผู้อื่นผู้อื่นเขาจะเชื่อเราจะเคารพนับถือเราจะไว้วางใจเรา จะพูดธรรมะอีกนิดน้อยให้ผู้ที่มาที่หลังเอาไว้เป็นน้ํามันด่อเลียงจิตดรอเลียงจิตใจขอให้พวกเราทุกคนมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่สิ่งที่ดีที่งามที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นผู้ที่รู้ทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญนำพาเราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่ทำตามคำสอนถ้าเราไม่ทำตามคำสอนเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายที่ดีที่ประเสริฐได้พวกเรานี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ไปไหนด้วยตนเองไม่ได้ ต้องอาศัยคนที่คนตาดีนําทางไปหรืออย่างน้อยถ้าคนตาดีหาไม่ได้ก็ขอให้มีสุนัขตาดีก็ยังพอที่จะพาเราไปได้อย่างปลอดภัยอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการก็ได้เพราะหมาไม่รู้ว่าเราต้องการจะไปไหนหมาเพียงแต่รู้ว่าเดินไปทางไหนแล้วไม่ไปชนเสาไม่ไปตกหลุมตกบอ่อแต่ถ้าเรามีคน ตาดีเราต้องการไปโรงพยาบาลเขาก็จะพาเราไปโรงพยาบาลได้พวกเราก็เป็นคนเหมือนคนไข้มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้ก็เป็นโรคของใจร่างกายก็มีความมีโรคของร่างกายก็คือการจีบไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นโรคของทางร่างกายความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจนี้ก็เป็น โรคของใจถ้าเราต้องการไปโรงพยาบาลรักษาโรคใจเราก็ต้องมีคนที่รู้จักที่อยู่ของโรงพยาบาล <c oughs> ต้องรู้จักทางที่จะไปที่โรงพยาบาลนี้ผู้ที่เคยไปมาแล้วรู้จักทางนี้แล้วเป็นผู้ที่ได้รักษาโรคใจของตนได้หายไปหมดแล้วก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี้ อย่งนั้นถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราน้อมเอาคําสอนคําสั่งของท่านมาปฏิบัติท่านสอนท่านสั่งเราเพียงสามข้อใหญ่ๆท่านนั้นเองคือหนึ่งทำบุญสองละบาปสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้ใจเราไม่บริสุทธิ์ก็คือความโลภความโกรธความหลงของเราถ้าเราชําระใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมคือกิตตภวนาสมถภวนาและวิปัสนาภวนาได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายจากความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจต่างๆแต่ก่อนที่เราจะชำระใจให้สะอาดได้เราก็ต้องละการทำบาปให้ได้ก่อน ก่อนที่เราจะละทำการบาปทําบาปได้เราก็ต้องทําบุญให้ได้ก่อนนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่พวกเราทํากันอยู่ตอนนี้ก็คือทําบุญกันแต่เรามักจะทําแค่ขั้นนี้ขั้นเดียวเอาแต่ทําบุญอย่างเดียวไม่เคยคิดจะเคลื่อนขั้นขึ้นไปสู่ขั้นการละบาปละบาปก็คือต้องกาต้องรักษาศีลห้าศีลแปดไปตามลาดับถึงจะเรียกว่าละบาปได้ ถ้าเรารักษาศีลแต่ได้เราก็จะปฏิบัติธรรมได้จเจริญจิตตะภาวนาได้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้รักษาใจของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ทำให้ใจเราสงบเย็นสบายมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความไม่สบายใจนี่คือ สิ่งที่เราควรจะคำหนึ่งกันให้มากๆคือให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามฟังคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยๆเพราะถ้าเราฟังครั้งสองครั้งแล้วมันก็จะลืมได้ต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติเช่นทาทานก็ทาไปเราฟังเราทาทานกันมามากแล้วทุกคนตั้งแต่เกิดมา แต่เรายังไม่รักษาศีลกันอย่างจริงจังกันสักทีเรามักจะอ้างเหตุนั้นเหตุนี้กันว่าต้องทามาหากินต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีอะไรอุปสรรคต่างๆนานาทาให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ถ้าเราเลีรักษาศีลไม่ได้เราก็จะภาวนาไม่ได้เราก็จะชำระใจให้สะอาดโดยสุดหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจไม่ได้ ดังนั้นขั้นต่อไปนอกจากการทำทานแล้วก็คือการรักษาศีลเบื้องต้นก็ลองเอาวันพระก่อนก็ได้ถ้าเรายังรักษาวันอื่นไม่ได้ก็เอาวันพระสักวันหนึ่งรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ได้ห้าข้อเท่านั้นเองไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมา วันพระนี้จะเป็นวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตามปฏิทินของทางวัดเพราะอาจจะไม่สะดวกเพราะสมัยนี้เราใช้ปฏิทินของทางโลกกันก็คือเราใช้วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดกันสมัยโบราณเราใช้วันโกนวันพระเป็นวันหยุดกันดังนั้นเราอาจจะต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เลือกเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มา รักษาศีลกันสักวันหนึ่งรักษาศีลห้ากันไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้ครบทั้งวันแล้วขั้นต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันจากวันเสาร์วันเดียวก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นสองวันพอได้สองวันแล้วก็ขยายต่อไปสู่วันจันทร์วันอังคารไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงครบทั้งเจ็ดวันเอง พอเรารักษาศิ่งห้าครบได้ทั้งเจดวันแล้วขั้นต่อไปเราก็มารักษาศิ่งแปดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์กันเพิ่มขึ้นไปจากห้าข้อก็เป็นแปดข้อพอเรารักษาศิ่งแปดได้เราก็จะได้ปฏิบัติทําได้เพราะศิ่งแปดนี้จะช่วยสนับสนุนในการเจริญจิตตภาวนาในการทําใจให้สงบในการเจริญวิปัสสนาทําใจให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ น้นก็ขอเอาสรุปอย่างนี้ก่อนเพราะฝนเริ่มมา้วเดี๋ยวก็ฟังกันไปเรื่องก็ขอให้ทุกเราทุกคนมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปปฏิบัติกับชีวิตของเราแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความเจริญ่งเหือง จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวก็ขออนุโมทนาขอให้ทุกคนมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสุขแค็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงเทอาีฝนจะตกเดี๋ยวคนนั่งข้างนอกจะเปลี่ยนันี้ฝนจะตกเดี๋ยวคนนั่งข้างนอกจะเปีน เออเพราะเราไม่มีธรรมะกันเนี่ยเรายังมีความโลภความโกรธความหลงกันอยู่มันจึงทำให้ใจเราสั่นไม่ใช่อะไรที่ทำให้ใจเราสั่นหรอกความโลภความโกรธความหลงของเราเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นธรรมดาของโลกมีเจริญมีเสื่อมเราอย่าไปวุ่นวายกับมันถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจจะไม่สั่น เราจะปร่งได้ปล่อยวางได้ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของสังไปใครทำกรรมบรรได้ไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรร ม, มนั้นเราอย่าไปทำกรรมกับเขาก็แล้วกันเราอยู่เฉยๆเป็นพลเมืองที่ดีตั้งอยู่ในความสงบก็พอแล้วปฏิบัติบูชาไม่ต้องไปปิดทองหน้าพระปิดทองหลังพระอยู่บ้านรักษาความสงบของบ้านเมืองไว้ อช่รับเก่าเรียนที <t Kiss wei> ่ไหนจบไปยังจบอย่างนี้ค่ะจบที่ไหนมากค่แศ่สาค่ะอ๋อทำานอะไรอ่าเลยสาหกรรเกษตรอ๋อแล้วได้งานหรือยังได้แล้วค่ะอ่าก็พยายามเก็บเงินเก็บทองไว้ส่วนหนึ่งก็ต้อง คืนให้พ่อให้แม่นะเราเป็นหนี้พ่อแม่มามากแนละต้องชดใช้บุญคุณบ้างนะท่านจะเอาแม่เอาอีกเรื่องหนึ่งแต่หน้าที่ของเราเราต้องให้ท่านไปอย่าใช้เงินมากเอาไว้ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอของพุ่มเฟือยปัจจัยห้าหกเจ็ดแปดไม่ต้องมีเอาแค่ปัจจัยสี่ก็พอ แล้วเราจะเป็นคนดีได้เราจะเป็นคนทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากเราจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะทดแทนบุญคุณพ่อของพ่อแม่ได้เลยนะพยายามศึกษาธรรมะบ้างเอาเอาซีดีไปฟังนะเอาหนังสือไปอ่านแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าเราคนรจะต้องทำอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานี่จเจริญก้าวหน้า ทำให้เราเป็นคนดีจริงๆน่อน ะ, นะอาารว่าย่างไงโยมทางอินเทอร์เน็ตทุกเสาที่วิสเซอร <มา S 1> ์แนด์มาเมืองไทยแล้วไป่อสองขาแา่ลิชยัยกอได้ได้เปิดสถานีวัตตาบ้านตา่า ก็ดีฮะฟังเทศของครูบาจานี่เป็นของวิเศษที uh mm ่ส um> ุดเลยกดีอพยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นทรัพย์อันยิ Whoops, ่งใหญ่ยิ่งตักตวงมากก็จะยิ่งเล่ารวยมากเป็นเป็นเศรษฐีธรรมดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินเสิทธีเงินนันมันหนักนะยิ่งมีเงินมากยิ่งหนักอกหนักใจนะ ยงมีธรรมะมากเบาอกเบาใจ<บ>าานี่แหละของจริงของแท้นะสารณะที่แท้ทจริงพุทธังธรรมังสังฆั ง, งสวังกัจฉามีเวลาเดินจนเียมได้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอย่าส่งเสียงเราอาจจะฟังเราเงียบๆคนดูเขาอาจจะเห็นว่าไม่มีความเคารพขาดความเคารพได้ แต่ถ้าเราสวดไปภายในใจนี่สวดได้ทุกแห่งทุกคนทุกอิริยาบทเพราะเป้าหมายของเราก็คือเจริญสติเพื่อละงับความคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นธรรมไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ำอยู่ห้องซ่วมก็ทำได้ถ้าไม่ส่งเสียงออกให้คนอื่นเขาได้ยินแนั้นเองอ ภาวนาดีมไหมที่อยู่เป็นยังไงบ้างขาดีมไห ม, ไมไพออยู่ได้